วันเดือนวันเดือนปีเกิดฉันมันคนง่ายๆแต่ฉันจริงใจเสมอแต่แล้วฉันเองก็เพลิ หลงรักเธอเพลอใจได้ไงฉันมันคงต่อเธอแต่ตัวเธอไม่เคยจริงใจเธอเห็นฉันเป็นอะไรจึงไม่เคยสนใจฉันเลยอยากให้รู้ถึงใจฉันบ้าง ต้องผิดหวังที่เธอเฉยชาเธอทำให้ฉันมีน้ำตาทุกเวลาที่มาเจอกันรักก็บอกไม่ชอบก็บอกมาอย่าให้รักหัวปากหัวปั๊ฉันขอดาว่าใจใเธอดำ ฉันจะจำที่เธอสอนมาฉันไม่ว่าที่เธอไม่รักแต่ฉันจะรักนาขัวเธอหรือเปล่าให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 ฉันขอดาว่าใจเธอดำฉันจะจำที่เธอสอนมาฉันไม่ว่าที่เธอไม่รักแต่ฉันจะรักหนักหัวเธอหรือเปล่าฉันไม่ว่าที่เธอไม่รักแต่ฉันจะรักหนักหัวเธอหรือเปล่า